เดย น, นี้เวลาเราซื้อของอะไรมาเนี่ยโดยผอของที่มีคุณภาพมีราคามันจะมีฉลากหรือข้อความเนี่ยติดตามขีดพอหรือว่าเป็นฉลากที่ติดมากับสินค้าฉลากที่ว่านี่ก็คือ คำเตือนคำเตือนเกี่ยวกับการใช้สินค้านั้นอย่างเช่นนะแม้กระทั่งเนี่ยปิ่นโตเนี่ยสเตนเลสเนี่ยก็มีคำเตือนติดมานะว่าอย่าเอาใส่เข้าเครื่องไมโครเวฟเนะเพราะเป็เพราะว่าปิ่นโตนั้นเนี่ยมันมี ชิ้นส่วนบางอย่างเป็นพลาสติกพอไปเวฟแล้วเนี่ยมันก็ละลายมัง้งเสื้อผ้านะหลายยี่ห้อเลยก็ยังมีคำเตือนว่าอย่าไปต้งกับน้ำร้อนหรือว่าอย่าไปใช้เครื่องซักผ้าอาหารเสริมก็มีคำเตือนนะ ที่เห็นบ่อยคือว่าเนี่ยไม่เหมาะกับเด็กและสตรีมีคันคาเตือนบงางอย่างเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับของชิ้นนั้นแต่คาเตือนบงางอย่างนี่ก็เพื่อประโยชน์นะของผู้ใช้อย่างเช่นนะจอ LED ตรงแผงหน้าคนขับรถเนี่ยเวลาเปิดใช้มันจะมีข้อความเป็นคำเตือนเหมือนกันนะว่าอย่ามองอย่าดูจอขณะที่ขับรถเพราะอาจจะเกิดอัอนตรายโดอปฏิเหตุของบางอย่างนี่เขาก็เตือนนะว่าอย่าดืม่มอย่ากินขณะขับขี่เพราะอาจจะทำให้ง่วง เกิดอุปติเหตุได้บางอย่างนี่เตือนชัดๆเลยนะอย่างเช่นบุรีเนี่ยเล่าเนี่ยนะว่าอาจทำให้เป็นโรคมะเร็งโรคปอดหรือว่าเกิดอุปัติเหตุได้ไอ้คำเตือนเนี่ยมันมันก็มากับของมากับสินค้า นะเพื่อให้เราเนี่ยใช้มันได้อย่างถูกต้องให้เกิดประโยชน์คำเตือนก็มีหลายแบบหลายแนวแตจะมีคำเตือนอย่างหนึ่งน้าที่นะสินค้าต่างๆที่สมควรนะที่จะมีหรือสมควรที่จะประ ก, กาศแต่ว่าเขา ไม่บอกนะไม่บอกผู้ใช้ทั้งที่มันจำเป็นนะจะเป็นเบะโยงผู้ใช้โดยตรงเลยจะเป็นความตั้งใจที่จะไม่บอกนะคำเตือนนั่นคืออะไรนะก็คือของชิ้นนี้เนี่ยไม่เที่ยงของชิ้นนี้เนี่ย จะอยู่ได้ไม่นานให้คำเตือนแบบนี้นี่มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้เนี่ยไม่เป็นทุกข์มากนะกับของชิ้นนั้นแต่ว่าเราไม่เห็นนะไม่เห็นของชิ้นใดเลยที่มีคาเตือนแบบนี้ทั้งที่มันเป็นความจริง อย่างที่สุดเลยของชิ้นนี้ไม่เที่ยงหรือว่ามีวันเสื่อมมีวันสลายไปทำไมถึงไม่มีคําเตือนแบบนี้นะก็คงเพราะพพว่ากขเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ควรจะรู้รู้กันอยู่แล้วมันจะมีของอะไรที่จะ อยู่ยงคงกับพัน์เป็นอมตะเนี่ยหรือว่าในเมื่อเป็นของที่รู้รู้กันอยู่แล้วนี่จะเขียนไปทำไมคำเตือนแบบนี้หรือจะเป็นเพราะว่ามีคำเตือนแบบนี้ก็จะทำให้คนนี่ยับยังชั่งใจนะที่จะไม่ซื้อสินค้านั้น มันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับผู้ผลิตเท่าไหร่แต่จริง น, นถึงแม้จะมีคำเตือนสมมติว่ามีคำเตือนแบบนี้ขึ้นมานะเอาข้างจริงก็ไม่รู้วมมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจดูคำเตือนเท่าไหร่ดยเฉพาะคำเตือนเนี่ยก็ไม่ไดพิมพ์ด้วยข้อความตัวเล็ก ในจุดที่ไม่ค่อยแตะตาหรือน่าสนใจเท่าไหร่จะมีอีกคนนาที่ซื้อสินค้าแล้วก็ดูคำเตือนนั้นเตือนอะไรไปมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์นะกับผู้ใช้นะแต่มีประโยชน์สำหรับผู้ผลิตนะเกิดสินค้าเกิดเสียหายอะไรขึ้นมาเช่นเอาปิ่นโต ที่ว่าเนี่ยไปเอาเข้าเครื่องไมโครเวฟแล้วเกิดพังขึ้นมาเกิดเสียหายขึ้นมาจะไปเคลมเอากับผู้ผลิตไม่ได้นะเพราะว่าเขาเตือนไว้แล้วนะไม่ใช่ไม่เตือนแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้จะไม่มีคำเตือน ที่สำคัญนะที่ว่าเนี่ยของชิ้นนี้ไม่เที่ยงเขาจะเตือนหรือไม่เตือนนะในฉลาดมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะรับรู้แล้วก็เก็บมาเตือนใจตนเองนะพราะถ้าหากว่าเราไม่เอามาเตือนใจตัวเองเนี่ยเราเองนั่นแหละนะที่จะเป็นทุกข์นะ คนทุกคนมันเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอะไรนะเป็นทุกข์เพราะว่ามีความคาดหวังมีความยึดมั่นนะสิ่งต่างๆที่ตัวเองซื้อมาที่จริงก็รวมไปถึงสิ่งที่ตัวเองมีทั้งหลายทั้งปวงมันเที่ยงนะมันยืนยง อันนี้มันเป็นเป็นความเข้าใจนะของผู้คนทั้งหลายทั้ง ท, งที่ในความเป็นจริงเนี่ยนะข้าวของสินค้าทั้งหลายเนี่ยแม้มันจะไม่มีคำเตือนจากผู้ผลิตนะแต่ว่ามันก็แสดงตัวให้เราเห็นอยู่ ตลอดเวลาเลยนะว่ามันไม่เที่ยงนะมันค่อยๆเสื่อมนะแล้วก็สลายไปในที่สุดแต่ว่าความจริงข้อนี้เนี่ยคนเราเนี่ยไม่ค่อยสังเกตหรอกทั้งๆที่มันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่สังเกตส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยวันแล้ววันเล่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันเที่ยงนะมันยืนยงอย่างศาลาหลังเนี่ยนะเมื่อวานนี้เมื่อเดือนนี้เดือนที่แล้วปีที่แล้วนะหรือว่าสิบปีที่แล้ว เราก็เห็นมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยวันแล้ววันเล่าเนี่ยไอ้ข้าวของที่เรามีสมบัติที่เรามีเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ไม่ว่าเมื่อวานวันซืนเดือนที่แล้วหรือตั้งแต่วันแรกที่เรามีหรือซื้อมาเนี่ย มันก็คงรูปคงร่างของมันอย่างนั้นอาจจะมีด่างมีสกปรกบ้างแต่พอเช็ดพอถูทำความสะอาดเข้ามันก็ดูใหม่อันนี้คือประสบการณ์นะที่เราเห็นวันแล้ววันเล่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยหลงคิดไปว่า พรุ่งนี้มรืนนี้นะมันก็ยังเป็นเหมือนอย่างเมื่อวานหรือวนันศืนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เรารับรู้มาเนี่ยมันมันลวงตาเราอย่าว่าตาอะไรเลยนะตัวเราเองเนี่ย ตั้งแต่รู้ความตั้งแต่ลืมตา ม, มาดูโลกเนี่ยเราก็หายใจเข้าหายใจออกทุกวันไม่มีวันไหนที่เราหยุดหายใจไม่ว่าคืนไหนที่เรานอนหลับวันรุ่งขึ้นเราก็ตื่นขึ้นม า, มาพบเช้าวันใหม่ไม่เคยมีคืนไหนที่เราหลับ แล้วเราไม่ตื่นไม่เคยมีคืนไหนที่เราหลับแล้วเราไม่ตื่นเลยนะตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันเนี้ประสบการณ์มันก็ทําให้คนจะไม่น้อยว่าเออพรุ่งนี้มะลืนนี้หรือสิปีข้างหน้าฉันก็จะยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ะไม่มีวันที่ฉันจะหยุดหายใจเพราะอดีตที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น หรือว่าเนี่ยอดีตที่ผ่านมานี่ฉันไม่ว่าฉันหลับจะหลับนานเท่าไหร่สุดท้ายก็ตื่นขึ้นมาพบวันใหม่อดีตมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่อดีตเป็นอย่างไรไม่ได้แปลว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าอดีตเนี่ยมอาจจะ บ่งบอกนะถึงอนาคตแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องแต่นี่คือประสบการณ์ที่มันหลอกเราทำให้เผือคิดว่าเนี่ยออทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันเที่ยงเมื่อวานนี้มันยังอยู่กับเราพรุ่งนี้มาหรือมันก็ยังอยู่กับเราแถมอยู่ในสภาพไม่ต่างจากเดิมด้วย แต่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าประสบการณ์มันหลอกเรานะมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นความปรารถนาในส่วนลึกของเราด้วยเราอยากจะให้มันไม่ว่าเรามีอะไรเราก็อยากให้มันเที่ยงอยากให้มันคงทนมันเพราะมันเกิดความยึดเกิดความอยากขึ้นมาพอเราจึดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็อยากให้มันเที่ยงให้มัน อยู่กับเราไป น, น, นานๆอันนี้เป็นกิเลสนะส่วนความหลงจากประสบการณ์ในอดีตเนี่ยและคิดว่าเนี่ยอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้จะว่าไปก็คืออวิชชาทั้งตัวอวิชชาตัว ก, กิเลสมันก็ทาให้เราเนี่ยไม่ยอมรับความจริงนะที่สรรพสิ่งหรือธรรมชาติเนี่ยนันแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้หรือแน่นอนทุกอย่างมาแล้วก็ไปมีแล้วก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีธรรมชาติที่สอนเราแสดงให้เราเห็นแต่ว่าใจเราก็ปิดลับจนกว่าเราจะรู้จักมั่นเตือนมั่นเตือนตอนอยู่เสมอ ไม่ต้องรอให้มีคำเตือนติดอยู่ในฉลากของสินค้าที่เราซื้อหรือที่เราได้มาอย่าไปหวังพึ่งคำเตือนอย่างนั้นเพราะสิ่งสำคัญคือการเตือนตนเตือนตนว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรชี้เที่ยงทุกอย่างที่เรามีเลยนะไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมแ้าไม่ใช่แค่สิ่งของนะแม้กระทั่งสิ่งที่เรามีตอนนี้คือชีวิตเนี่ยซึ่งมาดึงกายและใจเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเราซื้อของเนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าเราดูคำเตือนฉันนั้ัฉันนั้นเนี่ยนะเวลาเมื่อเราไดนะ้ได้ชีวิตนี้มาเนี่ย ได้อัตภาพนี้มาเนี่ยท่ก็อย่าลืมนะอย่าลืมคำเตือนนะคำเตือนที่ว่านี่คือมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่แค่ชีวิตเนี่ยแต่รวมถึงทุกอย่างเลยไม่เที่ยงไม่แ น, น, น่นอนนี่ก็คือความจริงที่เราควรเตือนตนอยู่เสมอแล้วท้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าจะมีความจริง สักอย่างหนึ่งนะที่มนุษย์เราควรจะรู้เนี่ยนะถ้าว่าเรื่องมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยความจริงที่มนุษย์เราควรจะรู้เนี่ยโดยพ่อผู้ที่ตัวมังชาพูดเนี่ยนั่นคือความจริงเรื่องอันดิจังเนี่ยแหละความไม่เที่ยงอย่างอื่นนี่ ไม่รูนะ้ก็อาจจะไม่ เ, เท่าไรแต่ว่าไอ้ความจริงที่ชื่อวอันี้จังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้อย่างยิ่งแตนะ่ถ้าจะเลือกนะว่าจะต้องรู้เพียงแค่อย่างเดียวเนี่ยอิจ น, นี่จแหละนะคือความจริงที่เราควรรู้เพราะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะ้ทำให้เราเนี่ยวางใจถูก นะว ก, กับสิ่งต่างๆที่เรามีไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมไม่ว่าสิ่งของคนรักหรือตัวเราเองเพราะว่าถ้าหากเราเราตระหนักว่าทุกอย่างก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ตามมาคือเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีไหนที่ใจยึดมั่นได้เลยในถ้าเราสังเกต น, นะก่อนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ย ปราชิมโอวาดเนี่ยหรือคำสอนสุดท้ายเนี่ยพระองค์แสดงธรรมแค่ข้อเดียวนั่นคือความไม่เที่ยงวิยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือธรรมะข้อเดียวนะที่พระองค์ได้ถ่ายทอดหรือว่าทิ้งไว้เป็นมรดก ให้กับสาวกทั้งหลายเพราะมันเป็นความจริงหรือคําสอนที่สําคัญมากในด้านหนึ่งเนี่ยพอเรารู้ว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนี่มันก็ช่วยทําให้ใจเราเนี่ยห่างไกลจากความทุกข์เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยจะเรียกว่ารอยท่องร้อยเนี่ย มันก็เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นว่าเที่ยงยึดมั่นว่าแน่นอนแต่พอมันไม่เป็นไปอย่างที่เรายึดแต่พอมันไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยก็เกิดความทุกข์ความผิดหวังเกิดจากอะไรนะความผิดหวังก็เกิดจากการที่สิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังที่มันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเพราะมันไม่แน่ไม่นอนถ้ามันแน่นอนก็อาจจะไม่ผิดหวังถ้ามันไปไปอย่างที่คาดหวังตลอดเนี่ยช่วยก็มีแต่ความสุขความสมหวังแต่เพราะทุกอย่างเนี่ยมันไม่แน่นอน มันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังคนเราก็เลยต้องพบกับความผิดหวังความโศกความเศร้าเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากการสูญเสียพัดพรากจากคนรักของรักในความสูญเสียนี่มันก็เป็นตัวแสดงให้เหน็นถึงความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนถ้ามันจรังยั่งยืนเนี่ยมันก็ เราก็ไม่รู้จักความสูญเสียและพอสูญเสียไม่เป็นไปดังใจมันไม่แค่โศกเศร้าอย่างเดียวมันขับแค้นใจมันโกรธด้วยหลายคนเนี่ยพอคนรักจากไปนี่ไม่ใช่แค่โศกเศร้านะโกรธนะกลัวว่าทําไมเขาด่วนจากไปยังอีกโกรธพ่อโกรธแม่โกรธคนรักว่าทําไมถึงจากไป ทำไมไม่อยู่กับลูกทำไมไม่อยู่กับฉันมันมีความขับแค้นมีความโกรธที่คนรักจากไปมันไม่ใช่แค่เศร้าโศกอย่างเดียวมันรู้สึกว่าเขาทิ้งเราไปเขาไม่รักเราแล้วหรือเพราะความผิดหวัง เขาทำให้เราผิดหวังเราก็เลยโกรธที่เขาจากไปอันนี้มันก็รวนแต่เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นความวิตกกังวลความกลัวมันก็เพราะการที่ไม่รู้จักหรือการไม่ยอมรับความไม่แน่นอนและความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ งั้นถ้าเกิดว่าเร า, าหมั่นเตือนตัวอยู่เสมอนะว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงทุกอย่างมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดามันก็ทำให้เราเนี่ยยึดมั่นถือมันน้อยลงปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ความทุกข์ความโศกความเศร้ามันก็น้อยลงไปด้วย ไม่ใช่แค่รูปธรรมสิ่งของผู้คนเท่านั้นนะนามนรรมเนี่ยเช่นเวลามีความสุขเลามีความสาเร็จเนี่ยถ้าเราเตือนอยู่เสมอนะว่ามันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ทำให้เราไม่เพลินในสุขนะไม่เพลินในความสำเร็จซึ่งดูเหมือนว่ามันอาจจะทำให้รสชาติของชีวิตนี่ ลดน้อยถอยลงไปบ้างนะเมือ่เอเทียกับคนที่เขาเพลินในความสุขเพลินในความสำเร็จดีใจกระโดดโลดเต้นนคะครที่คนที่เขาไม่เพลินในความสุขในความสำเร็จเขาก็แค่รับรู้เฉยๆนะยิ้มน้อยๆแต่ก็ไม่ได้หลงในสุขไม่เพลินในสุข แต่ปีโยชน์ก็มันก็มีมากกว่านั้นนะถึงเวลาทุกข์เนี่ยก็ไม่จมในทุกข์เวลามีความทุกข์ก็ไม่ได้สิ้นหวังเพราะรู้ว่าไอ้ความทุกข์เองมันก็ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือจะเป็นความรู้สึกอารมณ์เศร้าโศกเสียใจท้อแท้ ไอ้พวกนี้ก็ไม่เที่ยงแต่ในยามที่เราทุกเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปนะว่าไอ้ความทุกที่มันกําลังกุ้มลุมเราอยู่เนี่ยหรือลุมเราเราอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงบางทีเราก็เผลอคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดก็เลยกลัดกลุ้มท้อทแท้สิ้นหวังแต่ถ้าเราเหมั่นเตือนตัอยู่เสมอนะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงเนี่ยถึงเวลาทุกเนี่ย มันก็ด้สติขึ้นมานะว่าเออความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันทำให้มีความหวังนะที่จะอยู่กับความทุกข์หรือว่าไม่ตี อ, อกโชกหัวเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็จะดับไปเลือนหายไปเหมือนความมืดเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องหายไป เปิดทางกับความสว่างในยามเช้าฉะการเตือนตนเนี่ยอยู่เสมอนะว่าอะไรไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยมันช่วยทำให้เราวางใจได้ถูกต้องแต่ไม่ใช่แค่วางใจอย่างถูกต้องอย่างเดียวนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องด้วยหรืออย่างเป็นกุศลพูดง่ายคือว่า มันช่วยในการนะทําจิตแล้วก็ทํากิจในที่พูดมาสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องการทําจิตไม่เพลินในสุขไม่จมในทุกข์แต่ว่าพุทธศาสนาที่ท่านสอนเนี่ยไม่ใช่แค่ทําจิตอย่างเดียวทํากิจด้วยเมื่อ ร, รู้ว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่างอมืองอเท้านะปล่อยให้มันแปรเปลี่ยนไปเรียว่าปล่อยชีวิไปตามยถากรรมไม่ใช่ แต่ว่าพยายามที่จะดูแลรักษาป้องกันอย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้มันเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเพราะบางอย่างนี่มันก็แม้มันจะเสื่อมไปแต่มันก็สามารถจะรักษาเยียวยาให้ดีขึ้นมาได้เช่นร่างกายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมาไม่จรงรังสักวันมันก็เจ็บก็ป่วย เมื่อเจ็บป่วยเเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเพราะรู้ว่าร่างกายสุขภาพสังขารมันไม่จีรังไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยหรือความแก่อันนี้เรียกว่าทําจิตหรือวางใจแต่ขณะเดียกันเนี่ยต้องรู้อยากทํากิจด้วยนะก็ะคือเมื่อป่วยก็เยียวยารักษาตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ มันป่วยไปเรื่อยๆจนหนักหรือว่าดีวกว่านั้นคือป้องกันนะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงออกกําลังกายกินอาหารที่ถูกต้องพักผ่อนให้พอเพียงอันนี้คือการทํากิจนะเพื่อป้องกันไม่ให้ให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นในเร็ววันหรือถึงเกิดขึ้นก็ไม่รุนแรง แล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ได้ัดนะในโอปชิมโอวาเนี่ยเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยตอนนั้นก็ต้องทำความไม่ประมาทถึงพร้อมระวัดระวังรักษาดูแลรวมทั้งใช้ชีวิตเนี่ยให้เกิดคุณค่าขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องการทำกิจ การทําความไม่ประมาทถึงพร้อมหรือการทำประโยชให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเรื่องการทํากิจซึ่งควรควบคู่แบบการทำกิจดังนั้นถ้าเรานะเรียนแค่เราเนี่ยตระหนักชัดนะถึงความไม่เที่ยงของสังขารหรือความไม่ในนของสรรพสิ่งนเนี่ยสัจธรรมข้อนี้ข้อเดียวนี้มันก็ช่วยให้ เราสามารถที่จะนำพาชีวิตนะไปทางที่ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นสุขได้แต่แน่นอนถ้าเรารู้ธรรมะอื่นๆนอกจากนี้นะมันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะทำความดีงามสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นรวมทั้งการพาตนให้ออกจากทุกข์ แม้จะพยายามนะเตือนตนอยู่เสมอเวลาเรามีอะไรได้อะไรมาแม้เขาจะไม่มีคําเตือนจากผู้ผลิตนะแต่เราก็ต้องเตือนตัวเราเองอยู่เสมออย่างน้อยๆก็เตือนว่าเนี่ยของเรานี้มันไม่เที่ยงนใช้มันอย่างเอาอย่างดูแลเอาใจใส่แล้วก็วางใจถูกต้องอะคํามในภู่านี้นะอะกราบครับ